สำรวมจิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึ ก, กว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า การมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน อ, อแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเ <c oughs> พราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี่หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงเนี่ยนีเสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่เนี่ยมันก็มีอยู่ในนี่นีกลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี่ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้ลองคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> มันมีอยู่ในนี่แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกรุ่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปราถนาะไม่น่าพอใจเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทําอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องกับเป็นกรรมเป็นเวรเ <c oughs> มื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้ว ก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบารมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนกลัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุดสีลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่าไปอยู่งั้นหลยเรีวยกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ ว, ว่าบางคนก็ลืมตัวปัะนี้นะต้นเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าต้นเกิดมาสร้างบุญบา ร, รมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ทมไปเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิต มืดแปดด้านเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ะไม่รู้จุดประสงค์เลยอ่นั่นแหละที่นีผู้ที่เคยมีสติสมบัติเนี่ยเคยมีศรธรรมมั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนน่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีบุญบา ร, รมีที่เราทำมานะมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบา ร, รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสนะิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอยากไม่สะสมมันไว้ขึ้นเอวบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ อันผู้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะน่าว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวเนยะเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะ ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอแต่อ้างน้นอ้างนี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปน่อนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกในอย่างนี้แหละ มันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหาวกว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดรูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เทียนพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่ส ก, กปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู้นให้เป็นคนสะอาดสะ อ, าอ้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นน้ำสําหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี้เป็นการเป็นน้ำสําหรับล้างความโลภความตนี หวงแหนต่างๆออกไปจากกิจใจเอาศีหลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความเมยตาบาตต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอความโกรธความเยตตาบตต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกละมันไม่ยอมออกจากกิจใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่น จะไปเอามนกลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี่ก็าตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหม เ, ออเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่ า, างไงเมื่อไหนใจความ ความโกรธนี่ยก็คือคือจิตใจที่ปราศ จ, จากเมตตานั่นเองปราศ จ, จากความรักให้เอ็นดูนั่นเนี่ยความโกรธเนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความเมืงความโกรธฮนะ มันเป็นอย่างนี้หลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาทยายกาจัดไม่จะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบร้างกันนะมอโน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เร่ยว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายฉันใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้าชีวิตเขาหรือไม่ก็ตาม รูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำรีที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จาเป็นเพราะว่ามันมันมันจะแตกกระดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จาเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลยเพราะถ้าพระพุไ้ไปคิดทำลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเวรเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้น นี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธของมมายาบาทตรงได้คนเราเนะ่ะอันนี้หต่เนะว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวในพระพุทธศาสนานี้นะ ดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ําอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนั้นดื่มไว้ในใจนั่นไงโน้มเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นัก ตอนเมื่อเราโน้มเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตนนั้นนะคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทําตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทําลายล้างผ่านใครให้ใหเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่าง นี่ความเป็นพูทธตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไป อ, อย่างนี้แหละความโกรธความมหยาบาทมันถึงเบาบางไปจากจิตใจได้ใจก็จึงสงบเน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละพวากิเลสที่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลส มีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งกระทาใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นเลยคนเรานี่ถ้าว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่ผ่องใสไม่เบิก บ, บานเออ เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทําให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอํานาจเหนือร่างกายนี้อมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะ เราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี่เนื้อในใจความหมายความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่า ที่ตนเข้าใจนั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่าแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะอ่าท่านยังได้ออนหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอย่างให้ชัดๆตรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินรายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งสังในโลกนี่นหละอันนี้เราเรียก ว, ว่ามันได้ความชัดเลยคําว่าความหลงนี่นะ่ะ เพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปรวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั่นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมันแท้รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต, ต่างๆดังกล่าวมานี่เป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ ความจริงน่ะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกามมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชเขาช่างนะหลีกออกจากกามมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั่นที่มันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกา ร, รมาคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงวิชาจารย์แต่เช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอากุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในกา ร, รมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดี ไม่ไม่ให้ร่วงสินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคลายร้ายกาดแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบัยภุมทั้งปีมีนรกเป็นต้น หมายเขาว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมาคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกขอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข่ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกบุ่นอยู่ในกรรมาคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกฝนกายวาจาใจทั้งสน ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หากเอาบาปเอาอาคุสน์ต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาฐานะรองรับ ดวงจิอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้เลยผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาตไม่ท่วนแล้วที่ร่วงแล้วมา ไม่ใช่ว่ามีแตดีรุ่นล้วนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุ่นล้วนไม่ใช่นะนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่างว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพี่ดาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้ น, นจึงต้องมาภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดู ว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้นิสัยใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนน่ะมันเคยชอบโลภเล็งเพ่งเ ล, งล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้างในสามีภรรยาคนอื่นบ้างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธ ชอบโูโกรธไว้ในใจอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมูนี่ถ้าภาวนาทาใจสงบลงไปแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอุปนิสัยใจก่อของตัวเอง รู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาโน้มเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตโน้มเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จกไม่กระสับกระสายไปทางอื่นเลย จิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเออมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นน่ะมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเออทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมันมันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่ มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนู่นว่าจักอำนวยความสุขให้แก่ตนเงินเหลอลาบยศสนเสริญหรือหมู่เนี้ยถ้าตนได้สิ่งหมู่นี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แลใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยแบบนี้อ่มันเป็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณ น, นี้เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้มามองเห็นบุญเห็นคุณ น, นี่ว่าเป็น สิ่งอำนวยความสุขให้ตวัวจี้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็ยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระซับกระายไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุนนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุนนี้แบบ น, นี้แม้ว่าทรัพภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจมันก็อิ่มแล้วก็สง บ, บอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้น